ที่จะได้ฟังเทศการบอกการสอนจากพระพุทธเจ้าให้เหมือนสมัยสงสามพันปีที่ผ่านมาที่เกิดพระหันที่เกิดสงข์ขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้การบรรลุธรรมสมัยนั้นเกิดจากการฟังเทศห้าสิเปอร์เซ็นเป็นพระหันก่อนมาถือบททีหลังก็มีจำนวนมากอย่าง เอตตะคะแอบจีบลูกส่วนมากเป็นพันธุก่อนบรรลุธรรมก่อนเจงถือบวช้วยเอหิภิกขุอุปสมบทาพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ทรงให้การอุปสมบทแก่ภิกษุเองสังเกตจากการให้อุปสมบทเอหิภิกขุอุปสมบทาเพียงกล่าวว่าท่านจงเป็นภิกษุว่าเถิดพระทำไว้ไหนเราตัดไปหรือแล้ว ท่านจงเป็นผู้พึชพรมาจรรย์ให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดนี่คือผู้ที่อยากไม่ที่สุดแห่งพรหมาจรรย์คือเออพระอราหันต์ถ้าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็บอกว่าท่านจงเป็นผู้พึชธรรมทันเถิดนี่คือเอหิบิกุอุปสมบทาเพราะเราไม่มีโอกาสเช่นนั้นเลยไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ยัง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 จำกระต่าย ว, ว่านนท์จำแม่นที่สุดเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ใด อ, อนนท์เนีจำมาได้หมดเพราะเป็นพุทธอุปถากขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าพาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ใดขอให้ข้าองค์ติดตามไปด้วยก่อนที่เป็นพุทธอุปถากเลือกมาพระพุทธเจ้าถามว่าเธอทําไมจึงถาะเพียงนั้นขอเช่นนั้น เพราะว่าอาโนนเป็นพุทธุพทธาเมื่อถามอะไรพู้เจ้าแสดงทำที่ไหนเรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นพุทธุพทธาจึงได้จำแม่นมาใส่ใจเรียกว่าบันทึกไว้ในหัวใจเมื่อถึงคราวทำสังขนาล้อยคลองทำคำสอนขึ้นมาก็าต้องขาดพลาดดนมาได้ พระดลก็มีความสำคัญในคราวที่ทำจกากแค่นาพระมหากัตสปย์เทวเจ้าได้เป็นประธานในหมู่สงฆ์เลือกพระเทวทูตเป็นประานทั้งหมดมารวมกันต่างรูปต่างองค์ก็จำกันมาแม่นะทางใดสาธิบุตรพระโมกขลานะพระอุบาลีพระดุธทะแม่นอย่างใดเขาจำกันมามาพูดให้ฟัง แต่พระอานุนยังไม่เป็นพระมหาเลยแต่ว่าขาดไปไรมัมกจะฝ่าจึงเว้นไม่ได้ต้องให้พระอานุนปฏิบัติธรรมเพื่อจะทำสังฆาฏาอาอดุก็เริ่มปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจน้าดามความเขียดทั้งๆที่รู้มาจำแม่นเหลือเกินแต่ก็เอาสิ่งที่ตนรูมาไต่เต้าไปแม่แต่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 เล่งเข้าไปจนถึงแสงเงินแสงทองจะขึ้นแล้วทั้งคืนนั้นก็คิดอะไรบ้างตั้งไม่หลับได้นอน ไ, ได้ผกได้พอนอนก็เออหัอยิบซะตอกนกระดังใช่เหมือนเราเหนื่อยใช่ไหมเราต้องมีจิตที่ยยบได้พอนอนหายใจรู้สึกตัวได้ ถกาเก็ถือโอกาสเช่นนั้นในขณะที่พรนนนะอนุนกาลังเล่งอยู่นั่ น, นไมไ่แต้แจงใจเลยเล็กอเอาความรู้เอาการกระทเอะไรมาแต่ใจไม่รู้จักวางเงอนลองตาไปพูดกับโยมเมื่อวานะใจต้องวางนะเดินอยู่นี่วางใจนะอย่าไปให้มัน อามีอะไรเกิดขึ้นในใจเพื่อจะอยากลูกอยากเข็นไม่ต้องอย่างนั้นนะวางใจลู่ซื่อๆแปอนอ น, นก็วางใจหรนอนนี่สักหน่อยก็นนะ่าพอเอ็นหลังหัวยังไม่ถึงหมอนได้ปรู้ามตอนท่านเลยอันนี้คือไม่ใช่ความรู้เป็นการทำใจเป็นการทำใจก็ทันกับ ทำสังฆน า, าเป็นพระรหัสเกิดขึ้นเอ่ย mm hmm. เป็นอ่ะเรียกว่าชีณาศพทำสังฆนามาพวกเราก็เอาคําส อ, อนมาช่วยส่วนหนึ่งที่เรามาสอนโดยอย่างเราชวด อ, อะไรคือสติอะไรคือกายอะไรคือเวทนาอะไรคือจิตอะไรคือทำทำยังไงมาจาก พระพุทธเจ้าทรงส่องสอนเสมือนว่าเราได้ฟังธรรมพุทธเจ้าอย่าไปน้อยเนื้อตามใจไม่มีการไม่เวลาเลยถ้าอยู่กับเราอยู่แล้วเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ประกอบอายุหลงตาเนี่ก็ได้ฟังได้เห็นทันเห็นอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์พุทธทาส อาจารย์หลวงพ่อจเจ้าคุณหลายหลายองค์หลายหลายรูปที่เคยฟังแต่สมัยก่อนกระตือือร้นคือรีบด่วนที่สุดในการศึกษาเรื่องนี้นะ<อ>เพราะดูแล้วบางครั้งก็ตกใจอุตศาบำ ร, งรงุรงข่อสงพ่อสงก็ทำผิดอะไรต่างๆบางทีก็ไปขึ้นบ้านผู้หญิงชาวบ้านต้องงัดตันไปไล่ เคยไปไล่พระออกจากบ้านผู้หญิงแต่จับไม่ได้เขาหลีกไปก่อนบางทีก็เห็นพระไปจับปลาในสะระกลางคืนจับปลาในสระชาวบ้านที่เกี่ยวข้าวขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวยังไม่จับปลาในบอกเขาพระก็พากันไปจับออกปลาในสระเราไปหาควายตอนเย็น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 อยากรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์มันคืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นงไงพระธรรมเป็นยังไงเพราะการบ้าเกิดขึ้นจึงรีบๆหน่อยหนึง่งตอนนั้นรีบจึงมาศึกษาตั้งใจาอยากรับผิดชอบเรื่องนี้กันอันแบบเราก pues ็เลยสมบูรณ์แล้วพวกเรามีอาจารย์ยกหลงตาก็ได้เอาจังๆต่อนะหนต่อตาหลองปูเทยียนสอน หลังหาครูบาอาจารย์ก็มาตะเปตะปามาพกหลวงผู่เทียนเขาถูกกับความคิดของตนเองที่เป็นปัญหาไม่รู้ของผู่เทียนก็ท่าสายาก็เลยตั้งใจงเวลาหลวงพ่อเทียนแะแดงทำเราไม่ใช่ไปจำออกมามาทำตัวองสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราไม่รู้สิ่งที่เรารู้หลวงพ่อเทียนไม่พูด เกิดการขัดแย้งไปคนละทิศละทางสิ่งที่เรารู้หลวงพ่อ เ, เทียนพูดสิ่งที่เราไม่รู้หลวงพ่อ เ, เทียนก็พูดพ่อสัมผัสดูมันก็ไต่เต้าไปไต่เต้าไปเวลาทำวัดเชา้าทำวัดเย็นเราฟังหลวงพ่อเทียนพูดมันก็มีในเราเราก็ทำได้สิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูด ก็เหมือนสิ่งที่เราได้เรียนมาคือสมัยเป็นเรนรเรียนทั้งทำทั้นตีมันก็มีในตำราอย่างสติคือความเลือกได้สามัญชะยะคือความรู้ตัวแต่ก่อนคนอ่ะท่องเอาจำเอามันอยู่ในตำราภาษาลกแก้วดลกขนทองบัดนี้ว่ามีสติไปในกายเนี่ยไม่ใช่เป็นการท่องเป็นการไปจุ่มไปต่อเอา มมีเอ้เหมือนจริงๆเมื่อมีสติเห็นกายก็เห็นจริงๆกายมีสติเห็นเวทนาก็เห็นเวทนาเอ้ามันมีอยู่นี่เนาะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ารู้ในตำราจําได้กายเวทนาจิตธรรมตติปฐานหลักสูตรทั้งสามชั้นโู๋เอ้ามันมีอยู่นี่เราเห็นอยู่นี่เราอ่านตำรายอยู่นี่เรา มีรสชาติโดยธรรล่ะกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงเราก็ทำไปทำไปตามแผนที่เหมือนเชื่อมันเล่าได้แผนที่เดินทางในประเทศไทยติดรถว่าเราจะไปไหนดูแผนที่ทางหมายเลขกันเลยกี่กมเราก็ไปตามแผนที่ขณะที่เราเดินทางขับรถตั้งรถไปตามแผนที่แล้วก็เห็นอะไรที่มันผ่านเราไม่หลง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 ผ่านความสุข ก, กี่ข้างกี่หนผ่านความทุกข์กี่ข้างกี่หนผ่านชิเลตต์ตนะ่างนี่วัฏธรรมกความง่งเอาหอนอนความคิดฟุง้งซ่านกามรมาลคะปฏิกะมานาทิฏิอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนกับเดินผ่านไปเหมือนกับเอาไว้หลังไปเรื่อยเอาไว้หลังไปเรื่อยอะไรที่ผ่านก็ลู้แล้วลู้แล้วลู้แล้วมันก็ผ่านมันก็เกิดการสะดวก บางครั้งมันก็ทางเกี่ยวบางครั้งมันกับจราจรติข ด, ด, ดขัดเกิดดัดคย้งมากมายเกิดจากการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็เป็นกีฬาเป็นการสนุกเราได้แท้น่วงมันมีศิลปะเป็นธรรมชาติมันยิ้มสู้มันขึ้นสู้ค้ายๆไป้ปมาไม่ใช่อ่อนเออมันขึ้นสู้ มันขวางกันเหนือเนี่ยวมันขึดสู้ขึ้นมาอะไรขวางกันไม่ใช่สติแล้วก็กวขึ้นู้วได้บทเรียนดีดีการปฏิบัติครับสอนตัวเองเนี่ยประสบการณ์การสอนตัวเองนะแน้นนก็ทั้งอาจารย์หลว ง, งพ่อหลวงปู่เทียนพูดทั้งเอาเราก็เห็นอยู่ในเราเราก็ทำอะไรที่รู้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 เันไปกกรนทุกอย่างปัจี้บังก็ไม่เป็นไปกับเขามันคิดก็ไม่เด็ไปตามความคิดมันสุขก็ไม่เป็นไปตามความสุขมันทุกข์ก็ไม่เป็นไปตามความทุกข์อะไรที่มันเคยเดินไปต่างๆมากมภาระปัญหาอะไรต่างๆมันก็ไม่เป็นเหมือนเขามันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเราก็เลยสรุปบมาบอกมาพูดว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ให้ฆ่ามัน มันสุขก็อยาให้ข้าความสุขมันทุกข์ก็อย่ากให้ข้าความทุกข์มันหลงก็อยาให้ข้าความหลงอะไรที่มันมีในลถในชาติไม่ต้องเป็นลถเป็นชาติเป็นกัลบันความโกรธก็มีลถหวังคกรธก็ชอบความโกรธตัดทิ้งใจไททำความโกรธมันทุกข์ก็มีลถตัดถึงใจไปทำความทุกข์มันรักก็มีลดตัดทิ้ใจไปทำความรักมันชัางก็มีลดตัดทิ้ใจไปตามความช่าง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 เขาก็มีอาชีพอรรมทั้งหลายมันก็คลองเราบาดานรสชาติของอาท ร, รมมันก็ติดสุบูรีอะไรต่างๆเคยอะไรต่างๆก็ติดกันมาพอมาลู่าลูเนี่ยมันเหมือนกับมาซ่อมการมีแผลในใจเคยรักเคยสุขเคยผิดเคยถูกเคยดีเคยชั่วมาซ่อมมาลูเหมือนก็สซ่อมลูที่ใดก็ฟิดไป รูที่ใก็ฟิ้นใหม่ฟิ้ใหม่มันเป็นอย่างนี้สร้างสิตเวทล้อมไปเรื่อยๆไปเรามาอยู่ในลูกขุมูลน่ละอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายมาอยู่ในลูกขมุมมน์อยู่ป่าอนาคตเป็นสิ่งเวดล้อมภายนกอกรูขุมูลเออะไรคือขูดเกาขูดเกาคือไรทําให้เราเชืเช่อมแสงผลตกแทนที่เราจะทุกข์ ม, มันมาใช้เรื่องทุกข์ การปวดการเวย้ยการไม่สะดวกสบายไม่ใช่เราอ่อนเด้อทําให้เราเชื่อมแข็งเคยสมมติตัวเองสมัยหนุ่มหๆเดินทุง่งยะโจงเชียงใหม่เห็นเราเดินทุง่งนี่วนไปพักที่สวนยสวนอ่าาะเสวัตาเลยจาอะไรหรออย่างใกล้วัดดุงงเขาเกิดชะตาเลยลูกนี่วนไปห้าลูกไปปากฏเขาก็ให้บ้านพักแต่เราไม่พักเราถือลูกขมูลวัดอยู่คนไม้เป็นวัด แลปรากฏฝนตกทั้งคืนเจ้าของบ้านก็กลางล้มมาเอาล้มมามาช่วยเก็บของขึ้นบ้านเราไม่เจ็บเราไม่ไปาปให้ฝนตกก็เปียกนะยแต่เปียกข้างบนมันไปเปียกแต่หน้ามันไหลหลากมาแล้วก็เปียกทําไงก็เอาผ้ากีวรเอาผ้าสังขารติใส่ในบาตรเรือไว้แต่ผ้านุ่งก็เอาก้อนอิดโบราณเขาก้อนใหญ่เอาวางแต่พวกก้อนนั่งพอนั่งให้ อตัวไม่โจมน้าแล้วก็เอนไปเพียงบาดเอาบาดเอนไปก็นอนนอนไม่ก็เบียกน้ําไหลผ่านท้องไปเลยแล้วก็ทุกไหมไม่ทุกก็สมมติว่าเอ้าเราเป็นกบกบเขาอยู่ในน้ําตลอดพบตลอดชาติเขาต้องอยู่ได้เราเป็นกบสักคืนหนึ่งจะเดือดไม่ได้เลยก็สนุกไปเลยนอนเบียกเราก็อาจจะเบียก ถ้าคนเจ้าพระสงฆ์ใจะเปียก น, นั่นก็สมมติว่าเป็นกบไปซะไม่ได้ตลอดคืนตลอดปีเอาเป็นข้างเป็นค้าวไว้ขูดเขา่าสุต้องแปลว่าขูดเก่าคยเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เลยเคยหลงไม่หลงไม่มีรสชาติ ข, าของความทุกข์มีแต่สติมีแต่สัมชัญญะทุกข์กรณีนะสร้างสิเวทลอ้อมขูดเก่าตัวเองไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันจะผิดเพี้ยนไปมันจะเกิด พบกระชาติเราก็รู้อย่างนี้ปฏิบัติธรรมสนุกดีจึงต้องปึะัด ต, ตัวเองทุกกรดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกบางทีเกิดความสุขความสบายเกิดความหิวเกิดความอีม่มรถชาติอาหารชอบในรสที่ไม่ชอบเราก็เกิดทุกกรณีที่เราทำให้ใจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปจะให้มันไปเป็นรถไม่า จืดไปเลยให้มันจืดจ้ะลดชาติสร้างสีว่วทล้อมบ้างสิ่งภายในก็สร้างสิ่งภายนอกก็สร้างให้ประกอบกันไปเหมือนผ้านตนเอาจริงเอาจังจนหน้าดำความเพียดเอากองลู้ของเต่เงเอาวิธีการปฏิบัติที่ได้หลักใ้ฐานมาจากพระพุทธเจ้าเป็นเดนเป็นเศษที่พระเจ้าดุด่ามากที่สุดคืออ น, นุ์จนถึงว่าเราได้สวดอ น, นุ์ เราจะทํากับเธออย่างไม่ทะนุถนอมนะเหมือนช่างหมอ้อที่ยังทํากับหมอ้อยังเปีย ก, ยก จ, จะดืบดอยู่เราจะกระาบแล้วขนาดบีบไม่มีหยุดถ้าเธอมีเจตนมีมรรคผลที่ผ่านาเธอจึงทนอยู่ได้เพราะนนคือไข่ดองก็คือลูกสุโกธนะน้องพระเจ้าจุตุธนาะก็น้องเอาจริงเอาจังจนถูกดา่าถู ก, กอะไรต่างๆแม้แต่ละหนุ่พระเจ้าก็ด่ามากที่สุดไม่เหมือนคนอื่น บางทีก็ลาหูนหน้อยใจไม่ม า, าจัดเข้าพุทธเจ้าก็ให้เพื่อนเขาลาหุ่นไปเรียกมาตั้งแต่สมัยพระองค์ดำเพ็ญอยู่พุทธคยาเป็นเด็กเลี้ยงควายก็มองดูแล้วว่าน่ารักแต่ไม่มีพ่อมีแม่มารับจ้างเลี้ยงควายกินนมควายมาเล่นอยู่ที่พุทธคยาสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่ตัดรซลล์ดแลอยู่ แถวต้นสีมหาโพธิ์สวัยมุติสุขอยู่ที่นั่ น, นเด็กเลี้ยงคว ย, ยก็มาเล่นด้วยพุทธเจ้าก็บลูกหัปปวลูกหางเ ป, ปิตัวถ้าจะเปรียบเทียบกันว่าอาลาหุ่นกอรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่มันจะแปล ก, ก่วเด็กก็ามาเล่นด้วยทุกวันทุกวันตอนพระเจ้าหนีจากพุทธกยาไปป่าอิสิปตรนาเรเธอจนร้องไห้ ว่าจะติดตามไปแต่พระเจ้าก็ไม่ให้ไปแล้วเป็นเด็นเท่งควยรับจ้างหายแล้วเราจะกลับมาคนที่เจอก็ได้พบกันจนได้ไปบวชถ้าบวชไปแล้วก็รุ่นเลาเขาเดียกับลาหนุลน้องตาจาชื่อไม่ได้นะแต่ก่อจจำได้อยู่ชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้รลืมไปแล้วข้าไปเดินด้วยกันพระเจ้าก็ ด, ดูด่าราหนุนก็ให้ไปตามมา อันนี้ก็ขนาบแล้วขนาบไปกแล้วม่มีผู้ที่เจ้าขนาบเหมือนพระนนรเราเหมืนลกขนาบตัวเองขนาบตัวเองมันหลงแค่นี้ก็หลงหรือไอ้บ้ามันแค่นี้ก็โกรธหรือแค่นี้ก็ทุกข์หรือเนี่ยภาษาความคิดเฉยๆมันก็ทุกข์หรือเนี่ยไม่จะทำํำอะไรได้บางทีก็ด่าตัวเองขนาบตัวเองสนุกสนุกด่าตัวเองสนุกสอนตัวเองบางทีก็ปอกแล้วกันเข้มแข็งกันมา จะเป็นญาณหอบกระเป๋ากลับบ้านชะแล้วเป็นยาณหรือว่าคิดไปเองคิดขึ้นมาเราไปเองหรือว่าอะไรมาอ้างบ้างไปก็ไปไมาเป็นไรอย่าให้เกิดญานหอบเสื่อนะมีเหมือนกันอย่าให้หลงตาอยู่พุทธญาณมาเลยนะมีหลงตาองค์หนึง่งมาจากอำเภอหนองสองห้องมาอยู่ด้วยตั้งใจมานะอาจารย์เราก็ตั้งใจมาแล้ววันนี้ผมเตรียมตัวเตรียมใจหมดแล้วมาแล้ว เออให้ปฏิบัติทำไปพอปฏิบัติทำไปน่ะไม่ได้ถึงเดือนถึงอะไรเลยหอบปาดมาลากับบ้านเอ้าแต่ไหนหรอจะกลับบ้านจะกลับวัดอาจารย์ทำไมกลับล่ะมันมีอันนูนอันนี้หลายอยา่างมันข้างคาจิตใจเนี่ยอ๋อไมดีเนาะแต่เมื่อก่อนมาก็บอกว่าทําอะไรหมดแล้วว่าปฏิบัติว่ามาปฏิบั ต, บติทำไมจึงมีอะไรมากมาย มันคิดกันมาอะไรอย่าไปเชื่อมันหนความคิดเน่ยมันความคิดกันมาก็หอบบาดไปความคิดกันมาแบบหมึองก็หอบบาดหามันเป็นใหญ่ขนาดนั่นหรืออันความคิดน่ะดูดีๆนะดูดีๆดูนะไม่ใช่ไปตามมันไปถ้าเราตามความคิดเสมอไปมันจะมีที่อยู่หรือความคิดที่มันคิดกันมามันเลอเกินห่ะอย่าอย่าตามมันไป เทศได้ฟังพูดได้ฟังเอา้าถ้างั้นพร้อมกันไประบัดกับผุ้มบาดขึ้นไปกติเองไอ้การคิดมันหลอกเป็นยานหบบาดกับวัดหอบกระเป๋ากับบา้านไอาชีวิตมันหลอกระวังให้ดีนะอ ะ, อ, นนอะไรก็หลอกเราได้ดีที่สุดคือความคิดอะ่ะไอ้จึงมาลู่ทำหลวงปู่เทียนบอบบกว่าบันเป็นตังคิดพอลู่จกเดินลู่ทำนามทำจบอารมณ์บางตน เห็นรูปทุกนามทุกรูปโรคนาโรครูปสมมติลุปบัญญัติตู้วนรูปบาอย่าไปรโยชนในความรู้มันรูปมัก็มีรสชาตินะไปรูปคำความรู้อยู่กลายเป็นวิปัจจนปไปเลยแต่พ่าเทียนก็บอกว่ายาไปความรู้นะอย่าไปความสุขนะมันมีความสุขเหมือนกันมันก็มีปัญญาปัจติตสงบสุขปัญญาด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็บ้ากบโคก เอยเจอป่อยควายมีรอยน้ำก็ขังอยู่ก็ล่องลั่นรูกบโคกมีนะหนังพ่อเทียนพูดโอ้โก็คือเราเลยแหละเป็นคนที่ทุกขี่ยากาปฏิบัติธรรมไม่ความรู้อะไรต่างๆก็อยากไปสอนแม่อยากไปสอนพี่สอนน้องมันก็คิดไปจะรปความุขจะไปความรู้บ้าไปเป็นถังจิต สร้างจังหวะให้ไหวๆวหน่อยบำเพ็ญกิจพระเจ้าตัดจารุทางกิตจทำจังหวะไหวๆจังหวะอาจจะไม่ต้องเป็นจังหวะ14จังหวะหลวงปู่เทียนสอนเราก็เพียงแต่ว่าบำเพ็ญทางกิตคือมีสติดูจิตมีจิตดูจิตในจิตมันก็มีการดูของมันในจิตมันก็มีสติดูมันหลายวิธีอ่านบำเพ็ญทางกิตเนี่ย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 สี่จังหวะ ก, ก็ทําอย่างนี้อะไรมันเล่นฉับเล่นกลับมาทําบางเล่นกับจังหวะสนุกเด็กันเล่นรู้<อ>ถ้าข่าใดที่มันยังมีความง่วงนะอารมณ์ต้นถ้ามันง่วงหลวงู่อเทียงก็สอนหลงกัมันร้อยข้างรูปแบบบางทีก็สอนมาสอนแตงแรูปแบบหลวงพ่เทียนก็สมัยก่อนถ้าก็ทํานี่นะกัพระมีจังหวะที่หยิบเลย อ่าอนน่นะฉบับเดิมเราพอเทียงก็เปลี่ยนแลงมาจะมาถึงแบบนี้แต่กอก็บอกว่าเตีงนิ ning, ่งเตียงนิ่งเตียงนิ่งเตียงนิ่งว่าไปด้วยนะตียงนิ ning, ่งเตียงนิ่งตียงนิ่งเตีงนิ่งอ้าวเป็นภาษาเราภาษากลางเจร่ากไ็ไหวนิ่ง เดีย๋ยวนี้ยังมีอยู่โศกประหลวงโอ้เนื่นพเนาไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่ต่อไปหลวงพ่อเรียนเลยอ๋อมันก็บริกรรมเนี่ยรู้เฉยเฉยอ่ะรู้รู้เฉยไม่ต้องบริกรรมไปมาพูดตัดต่อมาต่อมาเหลืออยู่เท่านี้นยังตัดอะไรมาได้วันสะบูนเหววแดงไม่มีอะไรขวางกันตรงเป๊ออะเข้ามาเลยตรงกับความรู้สึกเข้ามาบางทีเราก็เล่น ถามึงง่วงนอนมากก็อยากมาทํา ป, ปกแปลกมันช่วยได้หลายอย่าง ก, การเคลื่อนไหวไม่ใช่การเคลื่อนไหวปกแปกมันบริหารส่วนหัวใจส่วนต้นคอส่วนลำแขนมันได้ดีที่สุดเลยการประกอบความเพี่ยนมันบริหารหัวใจหัวโบดต้นคอไหลใต้อกโดยเฉพาะยิ่งดีใหญ่วิธีที่ปฏิบัติแบบนี้นมัน ไม่ใช่เสียสุขภาพนะหลงตาไปสอนสายรัฐนะามาต้อนรับหลงตาที่แต่นัมบินบอกไปถึงที่พักก็บอกเราเลยว่าให้สอนแบบหลงพ่อเทียนนะจ่าเงินไม่ต้องสอนเพราะเเนี่ยเราจรึงมีรูปแบบไม่ล่าสมัยใช่ได้ทุกวิถีทางแล้วภาษาพุ่เจ้าสอนกขาเวียงแการคู่เขีนเข้า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 ยุบหนองห้องหนอแต่ไปเจญ อ, อยู่ที่เมืองเาอราก็เลยกลับมาจูบเมืองไทยก็เลยมาอยู่หลวงพ่อเถียนไปรูดตามมาเดี๋ยวนี้ก็มีการสอนกันน้องข่ายเป็นตุเป็นหลักจริงๆริงที่นั่นนะแต่ว่าขายังมีไหวเน่งไหวเน่งอเวลาจะฉันอาหารก็ต้องมีอยู่เอามือวางไว้เนี่บาทตักไว้ตรงนี้ก็ฉันยกมือขึ้นมาตกบาตเอาข้าวมา เอามือมาวางได้ไปจับอาหารจับอาหารก็าปลาวางยกเสษปากอาหารถูปปรกปากอมไม่ก่อนเือวางแล้วก็มานั่งหลับตาเขี้ยวเกือบสองชองั่วโมงยังมีอยู่ทุกวันนะทางเนินผะเเนาทั้งสองกันอยู่เวลาทําอาหารเนี่ยเขเป็นโตัไปส่งกติกติมีทางเดินจกกมกรมมีห้องน้ำห้องซ่วมอาหารที่เขาไปส่งก็ทําเป็น สำเร็จไม่ต้องไปขีดไปแบ่งมีก้างมีอะไรม่ดีถ้าเป็นปลาก็จับเป็นชิมชิ้นแล้วมาจับไปจะไปขึไปไ้นมาได้ปธิตาไม่ต้องดูฝึกกัน เ, เป็นสองชั่วโมงหลวงพ่อเทียนเคยฝึกนั่นมาอล้วนี้ก็มีสติทานอาหารก็ธรรมดาให้มีสติไวๆก็ได้ช้าๆก็ได้ไม่มีกฎเจ็นเราสอนตัวเราเองหาวิธีฝึกตัวเองไป หลายอย่างที่มันทำให้เกิดสติสิ่งเวทลาา้อมอันใดที่ทำให้มีสติเอามาใชยทางนั้นไม่แต่มองไหน้าก็เห็นถ้าว่วงนอนบกักบากไปทำไงจังหวะช่วงไม่ได้ยืดตัวขึ้นมองยอดไม้ต้นเลยน้อไหนมองไปไกลท้องฟ้าโอ้กลางวันน้อกลางคืนนอ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 หลังดีไปจมกับความสุขมันเทาไปจมกับความทุกข์ไปจมกับความผิดความถูกมารู้ซื่อให้หลังตาอ่านหนังสืออยู่เมื่อวานหนังสือที่อยู่หน้าสารหน้าธรรมศาสตร์ครับพี่มากันเรียนธรรมก็จะให้หลังตาไปพูดธรรมศาสตร์วันที่หกกรกฎาคมให้สอนแบบการเจริญสติซื่อซื่อใหซื่อแล้วี่ซื่อซื่อน่ะ ย what what so us, medim, ่าให้มันรสชาติอะไรบ้านลูดซื่อๆรูด <ennes> ซื่อๆไปลูดซื่อๆไปมันโดงแห่งความไม่ซื่อบ้านมีมากมันมีรสเราจึงลูดซื่อๆไปก่อนเอาบุกไปเลยตัวเนี้ยซื่อๆซื่อๆไปลูดซื่อๆไปเลยเพราะนี่ยมันเจกเป็นหลักสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรไปแต่ว่าที่ดูซื่อๆไม่ใช่ซื่อๆซื่อบื้อ มันเป็นการพัฒนาที่สุดเลยกับว่ารูซื่อๆรูซื่อๆเดะออาจึงเป็นทางผ่านได้ทุกกรณีถ้ามีรถมีชาติมันก็ผ่านมาได้มันติดรูซื่อๆไม่มีค่าเลยกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกากับ ใ, ใจเราจนได้สูตรเห็นเป็นท่านเป็นตอนเห็นจังบะมีเศษมีสมาธิมีปัญญา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 ในชีวิตของเราสนุกดีทําไมเราจรึงจะลู่วันลู่มานล่วันมันขุดขึ้ว่านิสัยยังไงมามันจะลู่แบบนั้นเคยยังไงมาจะไปอย่างนั้นก็ลู่ชื่อๆ็ว่าไลู่ชื่อๆ็ข้าไ ป, าไปนี่คือการปฏิบัติของพวกเราถ้ามาทำวัดก็ดีถ้าไม่มาทําวัดก็ดีแต่ต้องนอนนะต้องกินเท่าให้อิม่มต้องพักผ่อน อย่ารีดตัวเองเกินไปการปฏิบัติทํามให้พอดีพอดีนะกินเข้าให้อีกมนอนให้พอไม่เป็นไรไม่ถือว่าผิดน้านอนเนะ่ะพักผ่นอนน้อหน่อยโดยเฉพาะคนแก่อย่าไปรีดตัวเองเกินไปพักผ่อนความรู้จึกตัวมีอยู่ได้ทุกโอกาสแต่อย่าเอาความแก่มาอ้างอยาเอาความเจ็บความปวดมาอ้าง อย่าให้ข่ามาันมี่เจตีเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปนี่คือการปฏิบัติธรรมปฏิคืเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรูปทั้งนั้นเปลี่ยนมาเป็นรูปทั้งนั้นถ้าไม่เปลี่ยนเป็นตรูปไม่ใช่ปฏิบัติเลยมันมีโอกาสได้เปลี่ยนมันเป็นรูปมากมายเหลือเกินเก็บตกมากมากยความรู้ตรงนี้ไม่ใช่ว่ารอคอยเมื่ อ, อไรมันจะเกิดขึ้นเมื่ อ, อไรจะขึน้นไม่ใช่แบบนั้นอาศัยการเก็บตกนอกรูปแบบยิ่งดีใหญ่ ไม่ใช่มานั่งสร้างจังหวะเดินจังกรมจริงจะรู้นอกรูปแบบยิ่งดีการมีสติเนี่ยจึงสอนตัวเองให้มากที่สุดพอาะเดินสอนมาเท่าตัวเราสอนตัวเรา